เสียงอ่านหนังสือวิปัสนาอนุบาลงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉคำนำวิปัสนาอนุบาลเป็นคำสนทิระหว่างวิปัสสนากับอนุบาลหมายความว่าเนื้อหามุ่งกลุ่มผู้เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมภาวนาอาจจะยังไม่เคยรู้อะไรเลยหรือเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่กระจางแจ้งนักว่าคืออะไรต้องเริ่มทำอย่างไรขนาดของหนังสือคงสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานได้เห็นว่าน่าจะสามารถอ่านรวดเดียวจบภายในเวลาไม่นานนักหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้คือนำคุณออกมาจากจุดเริ่มต้นด้วยเวลาน้อยที่สุดหรือถ้าเริ่มต้นมาบ้างแล้วแต่สับสนก็ปรับมุมมองของมือใหม่ ให้เห็นวิปัสนาต่างไปจากที่ส่วนใหญ่คิดคิดกันคือเปลี่ยนเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องในตัวเปลี่ยนยากเป็นง่ายเปลี่ยนเครียดเป็นสบายเปลี่ยนภาระเป็นของเล่นเปลี่ยนสงสัยเป็นเข้าใจและเปลี่ยนซับซ้อนเป็นเรียบง่ายชนิดที่ว่าสายตา ย, ยังไม่ทันละจากหน้าหนังสือก็อาจเริ่มเห็นอะไรขึ้นมาเหล่ า, ลาว่า นักวิปัสนาในวัดหรือในป่าเขาเกิดประสบการณ์กันอย่างไรแม้หน้าที่ของหนังสือจะเป็นไปดังกล่าวข้างต้นก็ขอทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ว่านังสือเองไม่มีความสามารถทําให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังกลายเป็นนักวิปัสนาขึ้นมาด้วยบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแต่ขอรับรองว่าถ้าเข้าใจวิปัสนาจริงๆแล้วก็แม้ไม่หวัง ก็จะรู้จักความสงบที่น่าอัศจรรย์แม้ไม่หิวกระหายก็จะได้ลิ้มรสแห่งสารติอันประหลาดล้ำเพียงสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายและเครื่องเร้าให้เร่าร้อนก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตแล้วม่ใช่หรือลงชื่อดังตรินมีนาคมพุทธศักราช2547